สุขีอัตนาังปะลิหะรันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นทั้งปวงเถิดสัตว์ทั้งหลาย ที่เกิดเป็นชะลาผูชาที่เกิดเป็นอันทะชาที่เกิดเป็นสังเสตชาที่เกิดเป็นโอปาติกาจงมารับกุศลผลละบุญ ที่ข้าพะเจ้าแผ่ไปให้นี้นโดยทวนทั ว, ท, ว, ท, วทุกตัวสัตเทิสทนสาธุส า, สาสาอนโมทามิ